อกบทอกุศลลจิตสิองอกุศ ล, ลจิต ด, ดวงที่หนึ่งสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเป็นชนัยจิตที่เป็นอกุศลสหรกรดด้วยโสมนัสสำปรยุทธ์ด้วยทิฐิมีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นเป็นอารมณ์มีรสเป็นอารมณ์มีโผฏฐพะเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเหลือขึ้นในสมัยใด ในสมัยนั้นภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาวิริยินสีสมาธินสีมณิงสีโสมนสินสีชีวิตินสีมิจฉาทิฐิมิจฉาสังขปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิวิริยภะละสมาธิภะละภิริกระภละอโนตัะปะภละโลภะ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 ความเข้าไปพิจารณาความที่จิตตื่ต่ออารมณ์ความที่จิตเพ่งอารมณ์ในสมัยนั้นนีิชื่อว่าวิจารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นปีติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความอิ่มเอิบความปราโมทความยินดีอย่างยิ่งความบันเทิงความร่าเริงความรื่นเริงความปลื้มใจความตื่นเต้นความที่จิตชื่นชมยินดีในสมัยนั้น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 ความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ซัดสายความไม่ฟุง้งซ่านภาวะที่จิตไม่ซัดสายสมถะสมาธินีสมาธิภละมิจฉาสมาธิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเอเกราคตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นวิริยินซีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงนการ้ปรารภความเพียรทางใจความขมะักขะม่นความบากบัน่นความขนขวาย ความพยายามความอุสาหะความทนทานความเข้มแข็งความหมั่นความมุ่ง ม, ม, ม, มั่นอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทออทิ้งฉันทะความไม่ท้อทิ้งธุระความเอาใจใส่ธุระวิริยะวิริยินศรีวิริยะพละมิฉาวายามะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิริยินศรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสมาธินศรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน ความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ซัดสายความไม่ฟุง้งซ่านความที่จิตไม่ซัดสายสมถะสมาธินีสมาธิภะระนิชฌาสมาธิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสมาธินีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมนินทรียีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนจิตมโนมานัตหาไทปันทะมโนมะนายตนะ มนินรียวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนินรียที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นโสมานสินรียที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงความสําราญทางใจความสุขทางใจความสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้น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 นิชชาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนทิฏฐิความเห็นผิดรกชัดเคยทิฏฐิกันดานเคยทิฏฐิความเห็นอันเป็นข่าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยชน์เคยทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดและทธิที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยคลาดเคลื่อนในสมัยนั้น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 มิจาวายะมะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนการปรารบความเพียนทางใจความขมขมเณนความบากบั่นความขนขวายความพยายามความอุสาหะความทนทานความเข้มแข็งความหมันความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความเอาใจใส่ธุระเวริยะววริยินสีเวริยะละ มิฉาวายามะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามิฉาวายามะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมิฉาสมาธิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่สัดนสายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่สัดสายสมถะสมาธินีสมาธิภละมิฉาสมาธิในสมัยนั้น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 นี้ชื่อว่าสมาธิภะะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอหิริกละภะะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนกิริยาที่เมละอายต่อการประพฤติจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอายกิริยาที่เมละอายต่อการประกอบสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอหิริกละภะะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอโนตปะภะะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน กิริยาที่มีกริ่นกลัวต่อการประพฤติทุจริกอันเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัวกิริยาที่มีกริ่นกลัวต่อการประกอบสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอนโนตตปะภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นโลภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความโลภกิริยาที่โลภพาวะที่โลภความกำหนัดกิริยาที่กำหนัดภาวะที่กำหนัดความเพ่งเล็ง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 ความฌามปัญญาความโง่เขลาความไม่รู้ชัดความหลงความลุ่มหลงความหลงไหลอวิชชาอาวิชโชคะอวิชาโยคะอวิชานุสัยปริยุทธานกิเลสคืออวิชชาลิ่มคืออวิชชาอากุศลมูลคือโมหะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าโมหะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอวิชชาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความโลภ กิริยาที่โลภภาวะที่โลภความกำหนัดกิริยาที่กำหนัดภาวะที่กำหนัดความเพ่งเล่งอกุศลมูลเคอโลภะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอภิชาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมิชาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนทิฏฐิความเห็นผิดรคชาติเคทิฏฐิปันดานเคทิฏฐิความเห็นที่เป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิ สังโยคคทิฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความยึดผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดละทิิที่เป็นบอ่อเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยคลาดเคลื่อนในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอหิริกะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นชนิดิริยาที่ไม่ละอายต่อการประพฤติจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอาย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 สมถะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็ น, นไนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ซัดสายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่ซัดส่าย ส, สมถะสมาธินีสมาธิภละมิจฉาสมาธิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสมถะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นปัจาหะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็ น, นไนการประรรดความเพียรทางใจความขมะขมเข่น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 สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลขันธ์สี่อายตนะสองท่าสองอาหารสามอินสีห้าฌานมีองห้ามรคมีองสี่พะละสีเหสองภัสสะหนึ่งและถึงธรรมายตนะหนึ่งและธรรมธาตุหนึ่งในสมัยนั้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอ า, า้ากในเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุสนสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนภาาัสสะเจตนาวิตกวิจารปีติเอกคตาวิริยิสีสมาธินสีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังก ป, ปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิวิริยพลสมาธิพละอหิริกะพละอโนตปะละโลภะโมหะ อภิชามิฉาทิฏฐิอหิริกระอโนตปะสมาถะปัคาหะและอวิเคปะหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยเกิดขึ้นแม่อื่นเว้นเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขัน์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศล ชนละจิตดวงที่สองสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเป็นชไหนจิตที่เป็นอกุศลสหรกรโด้วยโสมนัสิสำประยุทธ์ด้วยทิฏฐิมีรูปเป็นอารมณ์ละถึงมีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะละถึงอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศล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 วิตุวิจารปีติสุขเอกคตาวิริยนินรีสมาธินรีมนินทรีสมุนสินทรีชีวิตินทรีมิฉาสังกัปปะมิฉาวายามะมิฉาสมาธิวิริยภะลสมาธิภะละอหิริสกะภะละอโนตตาภะละโลภะโมหะอภิชาอหิริสกะอโนตตะสมถะปะคาหะ และอวิเคปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุสลขันธ์สี่อายตนะสองธาตุสองอาหารสามหินสี่ห้าฌานมีองค์ห้ามรรคมีองค์สามภะละสี่เหตุสองัสสะหนึ่งธรรมายตนะหนึ่งและธรรมธาตุหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น หรือสภาวะที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยึ่งเกิดขึ้นแม่อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉะไห น, นภาสเจตนาวิตกวิจารปีติเอกคตาวิริยินสีสมาธินีชีวิตินสีมิฉาสังกัปปะมิฉาวายามะมิฉาสมาธิวิริยพละสมาธิพละ อหิรุสกะพะละอนโนต ป, ปะพละลโลภะโมหะอภิชาอหิรุสกะอโนต ป, ปะสมถะปั ค, คาหะและอวิเคปะหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยเกินเกิดขึ้นแม่เอื่อนในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลอกุศลลจิตดวงที่สี่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเป็นฉนิดจิตที่เป็นอกุศลสหรคตรด้วยสมนัตวิปยุตจากทิฏฐิมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นภาสะอวิเขปะก็เกิดขึ้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลอกุศลและจิตดวงที่ห้าสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเป็นชไหนจิตที่เป็นอกุศลสหรคตด้วยอุเบขาสัมปยุทธด้วยทิฏฐิมีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นเป็นอารมณ์มีรสเป็นอารมณ์มีโพธะภะเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใด ในสมัยนั้นภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารอุเบกขาเอกกะตาวิรินีสมาธินีมณีนีอุเบกขินีชีวิตินีมิจฉาทิฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิวิริยภละสมาธิภละอหิริกะภละอะโนตปะภะละโลภะโมหะ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 สังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนผัสสะเจตนาวิตกวิจาร์เอกขตาวิริยินสีสมาธินสีชีวิตินรีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิวิริยภะละสมาธิภะละอหิริกะภะละอโนตปะภะละโลภะโมหะอภิชามิจฉาทิฏฐิอหิริก ะ, ะอโนตปะ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 อกุศละจิตดวงที่หสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเป็นไนจิตที่เป็นอกุศลสหรอคตด้วยอุเบกขาสำปยุทธ์ด้วยทิฏฐิมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลอกุศ ล, ลจิตดวงที่เจ็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 เอเกคตาวิริยินรีสมาธินสีมนินสีโอเบขินสีชีวิตินสีมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิวิริยะภละสมาธิภละอหิริกะภะละอะโนตปะภะละโลภะโมหะอภิชาอหิริกะอะโนตปะสมัธาปะปาคาหะและอวิเคปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูป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 สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนผัสสเจตนาวิตกวิจารเอกลขตาวิริยนินสีสมาธินสีชีวิตินสีมิฉาสังกัปปะมิฉาวายามะมิฉาสมาธิวิริยะภละสมาธิภะละอหิริกะภะละอโนตตปะภะลโลภะโมหะอภิชาอหิริกะ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 จิตที่เป็นอกุศลสหรตรด้วยอุเบกขาวิปยุตจากทิฏฐิมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอาวิเคปาก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลอกุศลจิตดวงที่เก้าสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเป็นไนจิตที่เป็นอกุศลสหรคตรด้วยโทมนั์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 ชีวิตินตีมิฉาสังกัปปะมิฉาวายามะมิฉาสมาธิวิรยิยะภลสมาธิภะละอหิริสกะภละอโนตตะปะภะลโทสะโมหะพยาบาทอหิริสกะอโนตตะปะสมาทะปะคาหะและอวิเคปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอางัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศล ภาษะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความกระทบกริยาที่กระทบกริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าภาษะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความไม่สำราญทางใจความทุกข์ทางใจอันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันความสวยอารมณ์ที่ไม่สาราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส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 น้ชื่อว่าทุกที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นโทมนสินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความไม่สำราญทางใจความทุกทางใจความสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นน้ชื่อว่าโทมนสินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น โทสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความคิดประทุษร้ายยุริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้ายยุริยาที่คิดปองร้ายความพิโรธความพิโรธต่อความดุร้ายความเกลี้ยกราดความที่จิตไม่แช่มชื่นในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าโทสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นพยาบาทที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน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 สังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงภาษะเจตนาวิตกเอกคตาวิริยินสีสมาธินีชีวินีมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิวิริยภละสมาธิภะละอหิริสกะะละอโนตปะภะละโทสะโมหะพยาบาทอาหิริสกะอโนตปะสมาธาะฝักคาหะ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 มีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลอกุศนและจิตดวงที่สิบเอ็ดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเป็นไนจิตที่เป็นอกุศลสหรโคตด้วยอุเบกขาสัมปยุทธ์ด้วยวิจิกิจฉามีรูปเป็นอารมณ์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 วิริยะพละอหิริกะพละอโนตปะพละวิจิกิจฉาโมหะอหิริกะอโนตปะและปักคาหะก็เกิดขึ้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลภัตตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้อง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 ความเห็นเป็นสองอย่างความเห็นเหมือนทางสองแพร่งความสงสัยความไม่สามารถถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพลาไปความไม่สามารถยังลงถือเอาเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิจิอิจชาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม่อื่นในสมัยนั้น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 สมาธิภะละอหิริกะภละอโนตต ป, ปะภะลอุทัจจะโมหะอหิริกะอโนตต ป, ปะสมาถะปัก ค, คาหะและอวิเคปะหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยเกิดขึ้นแม้เอ่ยในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลภาษะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้อง ภาวะที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าภาษาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอุทจจะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความฟุ้งซ่านแห่งจิตความไม่สงบความวุ่นวายใจความพล่านแห่งจิตในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอุทจจะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้น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 สังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไ น, นภาษาเจตนาวิตกวิจารเอกคตาวิริยินสีสมาธินสีชีวิตินรีมิจฉาสังขปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิวิริยภละสมาธิภะล ะ, ละอหิริกะภะละอะโนตปะภะละปุถัจจะโมหะอหิริกะอโนตปะสมาธะปะคาหะและวิเขปะ